ต่อจากนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 และต่อจาก 29ณ พุทธสถานสาลีอโศกขอ 29 อัดนี้ก็มาเข้าเรื่องที่เราจะได้เริ่มงานกัน ดำเนินไปตลอดเวลาดำเนินไปอย่างที่อาตมากล่าวแล้วเมื่อ ที่เป็นอยู่ปกติเป็นอยู่ในการประพฤติประจํา 15 ข้อเข้าหลักนั้นมั้ยมีบุคคลหรือยิ่งเป็นกลุ่มหมู่น่ะ อย่างจุมชนซาลีอโศกนี่เป็นต้นก็มีคนประพฤติประพฤติทุกคนตั้งแต่จรณะ เพราะฉะนั้นชาวชุมชนของเราทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กตัวน้อยจนกระทั่งถึงคนแก่ยืน เป็นความประพฤติประจําตัวประจําบุคคลประจําชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการมีศีลประชุมชนของเราจึงกล่าวได้ว่าชุมชนของพุทธเป็นชาวพุทธเพราะคํานึงศีลสํารวมศีลสร้างวรศีลปฏิบัติไม่ฆ่าสัตว์ชุมชนเราไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์ที่มีพิษเรายังไม่ฆ่าเลย เราก็ไม่เคยฆ่างูบางปีงูมันมันอะไรไอ้ตัวเออแย่ที่นี่พื้นเยอะกับงูเยอะอาตมา เดี๋ยวนี้แย่ก็ 29 ปีก็มีคนถูกงูกัดบ้างมีคนถูกงูกัดบ้างครั้งหรือ 2 ครั้งเออครคร 29 ปีที่เราๆบางปีงูมัน โดยระยะที่เรามารวมกันงูมันจะไปไม่รู้เรื่องรูราวไป <c ười> อะไรขึ้นมาก็ยังไม่เคยเกิดหรอกแต่ว่าเราคิดก็ไม่รู้เรื่องนะก็ก็เลยเคยหยุดเอาตามธรรมชาติตามบุญ 29 ปี 28 ปี ก็ปรากฏว่าเคยถูกกัดมีคนเคยถูกงูๆอย่าว่า ทุกคนไม่กินเนื้อสัตว์ทุกคนประพฤติศีลไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเค้าๆไม่ๆเนี่ยอบายมุขเพราะงั้นของเรามีจริงๆ อย่าไปพูดถึงยาบ้ายาบ้ายาอียาเลิฟยาอะไรเข้ามาเดี๋ยวนี้มาใหม่มีอะไรใหม่ๆมามันๆมันก็ขอบๆชุมชนเราทุกแห่งปลอดปี งานนี้ก็ปีคิดดูสิตามมา 20 30 ปีไม่ไม่ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งในชุม 1, 1 ครั้ง 2 ครั้งนั่นคือ เออเดี๋ยวไม่รู้เตยรู้มั้ยหมายถึงอะไรไม่รู้นะฟังหรือครั้งอาตมาว่า 1 <c oughs> ครั้งเชียงรายมีอยู่มีหมัด ในอูดในอูดโดนโดนหมัดเค้าก็ก็ไม่ตอบโต้นะโดนหมัดก็ นี่คือรุนแรงที่สุดนอกนั้นก็มีแต่ว่ากันด่าทอกันก็ยังไม่มีไม่ค่อยมีจะมาด่าเจ๊ 35 ปีเนี่ยมาบวชนี่ 35 ปีทํางานมาตลอดชีวิตขณะนี้อาตมาภูมิใจนะอาตมาได้เงินแสนล้านทุก แต่เป็นการประพฤติจริงเพราะเราลดละเลิกลงมาจริงๆหลายคนทิ้งทรัพย์ๆลดโลภโกรธ เขามาหลอกแฟแช่ช่วงแฟชั่นโอ้โหเดี๋ยวนี้หลอกไอ้นู่นได้นี่หลอกมอมเมากันทั่วบ้านทั่วเมืองหลอกการจีลาการละเล่นมหรสพมอมเมากันทั้งหมด มันไม่มีบนดินทั้งหมดหรอกมันก็ยิ่งมีทั้งบนดินใต้ดินเพราะมัน อ่าอเมริกาจะมาออกกฎหมายมาให้นุ่งกกเองต่อต้านกันไอ้คนที่อยากจะนุ่งมันก็ต่อต้านไอ้คนที่จะออกกฎหมายก็จะออกๆมันก็ เพราะทําไม่ล้างกิเลสได้จริงๆแล้วไม่อ่ะเพราะจะเห็นได้อย่างชาวโศกเราเนี่ยไม่เป็นแน่แต่งเนื้อแต่งกันเลยมันมัน เสียอารมณ์เปกปะป่าวสูญเสียเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานแรงงานกายแรง เป็นคนตามบอร์ดเป็นคนหลังเขาเป็นคนไม่รู้เรื่องเรารู้จักสังคมอะไรต่อแนวอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่จะแปล แรงของข่านิยมของสังคมแล้วมันก็ชนคนที่มีกิเลสจิตใจอ่อนกิเลสครอบงําก็สู้กิเลสไม่เพราะไป พอให้เงินหมุนเวียนเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์ เราต้านไว้บ้างแต่ต้านไปตามฤทธิ์แรง จากต่างประเทศมาเลยเออหยุดไปพักไปก็ดีไอ้สิ่งที่ต้านไม่อยู่หลายๆอย่างเค้าก็ทําอย่างเค้าประธรรมซึ่งเราก็ทําหน้า สังคมที่เขาดําเนินกันไปอยู่กับสังคมในแวดวงของชาวอโศกเรามันมี แนะนำเอามาให้เราเรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติ 3 ข้อเรียกว่าตรีลักษณ์ลักษณะนะตรีลักษณ์ไม่ใช่ไตรลักษณ์นะ 3 ตรีแปลว่า ตรีลักษณ์ลักษณะดึงจะต้องเป็นคนที่มีอุปโตภาควิมุตติหรือเป็นคน 2 เป็นคนมีสมถนะ มีความรู้ความสามารถอย่างที่คนเค้ามีเค้าเป็นกันแหละในสิ่ง เหมือนแม้แต่จะมีอะไรอื่นๆที่เป็นประโยชน์คุณค่าวิชาหลายวิชาเราไม่ หลายๆวิชาที่เราไม่จําเป็นต้องต้องไปเรียนนะแต่ในโลกทุกๆนานาสารพัดแล้วเราก็จะ <T> สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์ได้อย่างดีจัดสรรกับสังคมมนุษย์ได้อย่างประการพระประการเนี่ยจะเป็นคนรู้จัก เปกว่าเป็นคนรู้ตนก่อนเป็นคนรู้ตนได้เป็นคนรู้ตนก่อนอัตตัญญุตารู้ตัวมีความสูงความต่ําความพึงความฉลาดความเหมาะสมใจ ต้องรู้ตัวเราอย่างชัดเจนรู้ตัวเราอย่างชัดเจนว่าเราเหมาะสมที่จะทําอะไรได้แค่ไหนเข้ากับที่ รู้จักสังคมรู้จักกลุ่มหมู่ได้ก็ปฏิสันยุตตาเพราะสังคมอย่างนี้กลุ่มหมู่อย่างนี้ อะไรเหมาะสมอะไรที่จะเข้ากันได้อะไรที่เข้าไม่ได้รู้จักมารยาทรู้ โอภาปราสัยหรือว่าจะ 7 ประการเนี่ยสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างพอเหมาะพอดีสามารถอยู่ในสังคม 3 เรื่องนี้อาตมาเลียดสั้นเร 2 มีสมถะ 3 มีสัปปุริสธรรม 7 หรือจะเรียกคู่ 2 มีโลกานุกัมปาโลกัมนุคโลกานุกัม เอ่อมีความรู้ความสามารถนะมีความรู้ความสามารถนะสมรรถนะความรู้ 7 ประการเป็นผู้ที่จะทํา ตรีลักษณ์น่ะโลกุตระโลกวิทูโลโลกานุกัมปาก็ได้ก็ขยายความ 7 ก็ได้นะนี่เป็นเรื่องของอย่าง เพราะคนไหนที่ได้ลดกิเลสจริงเป็นโลกุตตระหรือเป็นอุปโตภาค นิโรธนิพพานที่นิพพานอบายมุขนั้นเป็นฐานขั้นต่ําในสังคมโลกอบายเป็นโลกต่ําเพราะผู้ที่บรรลุโลกต่ํานี้เป็นๆในระดับต่ําของ อุปโตภาคหรือว่าความวิมุตติด้วยความปรดปนนิโรธนี่คือมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วกิเลสมันไม่มีมันมีกิเลสอุเบกขามันไม่ทุกข์ไม่สุขกลางๆสบายๆโลกเค้ามี รู้ว่าเขามีแต่เราไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่มีอํานาจเหนือเราคนที่ตกแต่ถ้าพรุดพ้นแล้วนิโรธแล้ววิมุตติ นับถือกันสร้างกันขึ้นมาโดยคนมีกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสของคนไม่ แล้วก็ไม่ค่อยศึกษาที่จะละหลุดพ้นออกมามันก็เลยครอบงํากันหนาขึ้นหนาขึ้นแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองก็ไม่ค่อยเข้าใจในศาสนาไม่ค่อยเข้าใจจัดสรรจัดการมัน แต่มันจะทรมานคนมันจะมีผลกระทบมีผลข้างเคียง ให้มันหนักหน้ากันไปอัตมาว่ามันจะเป็นประเทศที่เป็นตัวอย่างของโลกได้อย่างวิเศษเลยใหญ่เลยแทนที่จะ เหล่าเบียร์อะไรต่อไปจะเป็นประเทศที่มีอะไรอะไรมากที่สุดในประเภทอบายมุขทั้งนั้นในเชิดหน้าชูตาอาตมาคงจะต้อง ซึ่งมันเป็นความกิฏิเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นมีฤทธิ์ แล้วมีอํานาจด้วยเป็นอํานาจทางสังคมเป็นอํานาจของเงินเป็นอํานาจของอํานาจ นัตถะอนาคามีก็รองลงมาสกิทาคามีก็รองลงมาอย่าง ตาสอเราธรรมดิสบีอาร์เอ็มเบก้าออกมาเผยแผ่เพิ่นคือพิมพ์รามจิตติเอ่อรามจิตติบีอาร์เอ่อนามสกุลเอ็มเบก้าจริงๆนามสกุลของ คนที่ฐานะดีคนนึงที่เค้าช่วยเหลือแกน่ะจะเป็นจันทาล คนในอินเดียเนี่ยได้ชาลเค้ายังคบนะ เขาออกกฎหมายมาแล้วห้ามแล้วมันก็ 2 ใบนะจากอเมริกาใบนึงจากอังกฤษใบนึง ก็อาทิตย์น่ะอะไรไม่รู้อาตมาจําไม่ได้นะแกพยายามว่าโดนอะไรต่อต่างๆจันทรานี่น้อยไม่มี พวกวรรณะทั้งหลายแลนี่เค้าเหยียบย่ำดูถูกแต่ ดร. เอมเรก้าเดี๋ยว นักธรรมเอพกาลเนี่ยแกก็ทนอุตสาหะจนกระทั่งสุด แกเป็นนักอ่านแกเจอหนังสือไม่ได้แกอ่านอ่านโอ้โหแก แกก็ออกมาเป็นพุทธจักร เป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แก่อินเดียประเทศอินเดียและก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวตั้งแต่ได้เอกราชมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่เคยไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะครั้งเค้าๆประเทศไทย จะมีอนุสาวรี ดร. เอมเบก้าตั้งตั้งงานอยู่เป็นจันทาลที่มีอนุสาวรีคนเดียวนะ ดร. เอมเบก้าที่อาตมาแวะออกมาหา ดร. เออจํา ฐานะโดยธรรมชาติแม้แต่ที่สุดฐานะของในพุทธก็มีพูดไปแล้วหน้ามีอรหันต์มีอะไรๆฐานะของธรรมชาติฐานะ ยังเป็นต้นว่าคนที่ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้โอ้ยังอ่อนอยู่ 20 ปีแล้วอ่ายังได้แค่โสดาเอ่อคือดาโซโซ คนนี้ได้สกิทาคามีคนนี้ได้อนาคามีชั้นสูงก็ไม่กดข่มกันเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องกันอายุวัยเด็กผู้ คนคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่มีความดีมากกว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่มีมากกว่าเป็นของจริงกว่าคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ ที่อาตมาแวะไปถึงอินเดียที่มีชั้นฐานะมีวรรณะโอ้โหหน้า มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันมันมันมันข้ามกันกันเค้าๆเลยนะยึดตามวรรณะเนี่ยเพราะว่าเป็นพุทธเนี่ยพุทธไม่มี ก็ช่วยเหลือคนที่มีวรรณะต่ํากว่าคือมีวรรณะเฒ่าได้น้อยกว่ามี บอกว่าไม่มีวรรณะแต่จริงๆมันมีวรรณะแล้วมันคืออะไรกันแท้แล้วปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะเป็นประโยชน์คุณ 30 ปี 30 กว่าปี อัตมาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นอาตมาทํางานจากความเป็นศูนย์นอกจากจะทํางานจากความเป็นศูนย์แล้วยังมี ไม่ได้หมายคําว่าทําแล้วนี่โอ้โหสะดวกศูนย์ก็ไม่มีแรงต้านอะไรเลยโดยเดินหน้าชลุ้ยเพราะมันมีสิ่งคุณลักษณะคุณสมบัติ คุณคุณค่าโอ้โหหลายคุณเหลือเกินต้องไปเปิดพจนานุกรมดูมันหมายความว่าอะไรบ้างอ่ามีคุณภาพมีคุณสมบัติมีคุณลักษณะมีคุณค่ามีคุณธรรมมี ที่เป็นเรื่องที่พลวิสัยของโลกีย์มันเดนนี่คือโลกีย์ น่ะยังมีการหมุนเวียนเกิดอยู่อ่ะเพราะไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักภพไม่รู้จักชาติแต่โยนิโสลงไปถึงโยนิโส นะถูกจริงๆเกิดอย่างลึกซึ้งมันต้องลึกซึ้งแยกคายมากเข้าแปลเอาความเพราะฉะนั้นทําลายเชื่อที่ทํานําเกิดจนสลายหมดจนหมดที่เกิดโยนิ <ม. S 1> โอปปาติกะ ยoni ที่มันพาเกิดเป็นโอปปาติกะเกิดเป็นตัวที่มีตัวมี จิตวิญญาณไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ยังเหนียวไม่ได้เกาะกุมไม่ๆจึง แต่ถ้าจะเกาะก็ได้อย่างพระปุริสสัตหรือพระเป็นพุทธภูมิเนี่ยเป็นวิภวตัณหาเป็นเป็นตัณหาที่จะทําสิ่ง ก็ภาคเพียรโพธิสัตว์ก็ภาคเพียรไปจนกว่าจะสูงสุดถือว่าเป็น <Yeah. S 1> โพธิสัตว์ที่เป็นโพธิสัตว์แท้แต่โพธิสัตว์เลยจากโสดาภูมิก็มีภพความจักรรูณ5 ระดับ 6 8 9 ก็เป็น อาตมาคิดว่าไม่ขยายโพธิสัตว์ตมภูมิให้พวกเราฟังหรอกเพราะว่ามันมันเกินอะไรนี่มาโปรสด็อกเตอร์มันมันเกินไปมันผิดวิชาผิดพอมัน กำหนดกันไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเอาไอ้ที่พูดถึงกันได้นี่ไปก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่มีหลักประกันยังเป็นอรหันต์แล้วนี่เป็นผู้ที่มีหลักประกันอันสมบูรณ์ไม่มีพิษมีภัยกับใครใน เอ่อถ้าบอกว่าช่างหัวท่านโดยอย่างนี้มันไม่ดีจะเกิดอีกเอ่อเพราะว่าท่านมีหลักประกันแล้วความจริงเป็นหลักประกันความจริงว่า เวียนไปยุคแล้วยุคเล่าเอ่อชาติแล้วชาติเล่ากลับแล้วกลับเล่าไม่รู้ ขอจบในที่ใต้ต้นโพธิ์จะธรรมวิทยานิพพนต์อันโดยบุพเทวิโช ตรวจสอบเป็นและชาติแล้วชาติเหล่าว่าท่านเรียนมาเท่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่รวบรวมหน่วยจิตรวบรวมคะแนนตรวจสอบความจริงคือจตุปะปาตยานอุเปนิพาสนุสติญาณก็คือตรวจหน่วยจิตต่างๆ ความเป็นของความเป็นสัตว์โลกความจริงของความเป็นคน ต้องช่วยโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแล้วศาสนาพุทธมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือรอดเลยมันจะต้องประกาศใหม่มันจะต้องให้ประโยชน์แก่สังคมต่าง เมื่อท่านตัดสินดูทั้งทุกอย่างทั้งโลกทั้งสังคมทั้งๆพวกนี้ซึ่ง ที่อาตมาศึกษาอยู่นี่ก็พูดตามหลักอาตมายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาตมาก็เรียนตามตำราและก็พยายามภาคเพียรไปเล่าให้พวกคุณฟังพุทธวิสัยถ้าจะตรวจ เพราะฉะนั้นมันมีความจริงที่สุดยอดที่พระ เคยมีบ้างแล้วน่ะในหนังสือเทวนิยัมอะเทวนิยัมเล่ม 10 หลักเหมือนกันแต่เล่มนี้ขยายความมากกว่านั้นและ لما ก็กลายตัวไปเป็นศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้พูดกันจนเกือบจะไม่เหลือพุทธแล้วแต่ พูดเป็นอย่างนี้อย่างไรอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างไรนี่แหละเป็นคนที่มีจรณ 15 นี่แหละมีศีลมีศีลยังไงก็เขาไม่ได้ไปอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ ตพหุสัจจะวิริยะสัจจะปัญญาวิริยะสติปัญญาพอไปวิริยะสติปัญญาที่สัตตธรรม 7 ของจรณะจรณะ จิตที่มีความรู้ในภูมิภูมิจิตที่มีความรู้ยิ่งรู้มากความรู้ในภูมิภูมิจิตที่มีความรู้ยิ่งรู้มากรู้มารู้จริงๆไม่ใช่รู้แต่เฉพาะปรัชญารูปปฏิเวธธรรมทรงสัจจะรูปุสูตจะรู้ลึกสอนใครไม่ มีความขยันจริงๆเป็นพฤติกรรมของคนพฤติกรรมจริยวัตรของคนมีความขยันมีสติมีปัญญาวิริยะสติปัญญามีสติก็คือมีความระลึกรู้ตัว แล้วก็มีปัญญาที่แท้เป็นปัญญาที่เป็นพุทธปัญญาแล้ว 4 กับ 7 บวกกันได้เท่าไหร่ 7 ได้ 11 อ่าตอบถูกได้นะนักเรียนได ป. นี่ ป. อะไรล่ะ ป. 2 อ่ะ ป. 2 ตอบได้ 7 4 เป็น 11 ถูกต้องอ่า แล้วก็บวกกับฌาน 4 เป็น 15 จรณะ 10 มาเป็นฌานลืมตาอ่าจาลำตาเนี่ยฌานคือเผาฌานเผาชาปนกิฏเนี่ยแปล เด็กหญิงขวัญเข้าอัมพุชชะเผาชานี่แปลว่าเผาเผาชาปนกิจเค้าเผาเผาอะไร เพราะฉบแต่คําว่าชาณมันเผากิเลสคําว่าชาณะเฉยๆไม่ใช่ชาปนกิจที่เอามาเรียกในทางรูปธรรมทางสังคมมนุษย์เป็นวัฒนธรรมอะไรเนี่ยชานี่รากสัมมันแปลว่าเผาเพราะฉะนั้นก่อน ความจริงในความเป็นจริงที่เราจะเผาเพราะงั้นต้องเลือกเฟ้นดีนะเพราะว่าจิตกับกิเลสกันโอ้โหมันเหมือนประหนึ่งเดียวใน เออมันอยู่มันเหมือนหนึ่งเดียวกันเลยนะตั้งแต่ที่จริงแขกไม่ใช่แขกจร ต้องจัดการมันออกชาญลืมตานี่แหละไม่มีปัญญาแยกๆ เป็นผลที่เกิดทางจิตผลที่เกิด 7 นี่เป็นธรรมะที่มันมีมีศีลตํากับมีพหุสูตรกํากับมีธรรมะกระทึกมีอะไรต่ออะไรแล้วแต่ มันศรัทธาไม่มีศีลเลยอู้ศรัทธาอะไรก็ได้ในโลกนี้คําว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นก็ต้องมี ศรัทธาอะไรก็ไปตามเรื่องตามราวเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่ออะไรแล้วแต่เชื่อตามโลกเขาไปตาม พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาสีลมาประกาศตอนแรกนั่นแหละเท่ากับท่านกำหนดกรอบของความเป็นพุทธกุลท่านจุลศีลมัชฌิมศีลมหาสีลนี่เป็นหลักเกณฑ์ศีลเลยนะท่านตัดว่าศีลเลยศีลหมวดแรก ในมัชฌิมศีลมหาสีมีเดรัจฉานวิชามีไสยศาสตร์มีอะไรอยู่เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้า อยู่ในกรอบของศีลที่บริจาคทรัพย์ราวไว้จุลศีลมัชฌิมศีลมหาสีลนี่ๆเป็นต้นอ่ามันก็ชัดอย่างนี้เป็น นอกกรีดมันท่านบอกให้เวรมณีท่านบอกให้เลิกมาไม่เลิกดินไปดีมุ่นด้วยไปบุ่นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเอาเข้ามาใน อาตมาพูดขึ้นทุกวันนี้เพราะอาตมาแก่ถ้า ป๊อบพูดแล้วอธิบายแล้วก็ยืนยันๆมาเยอะที่เค้าผิดพลาดกันจนมาถึงวัน อาตมาคนเดียวนี่อาตมาไม่ลดน้ำมนต์อาตมาไม่ใช้ถูกใช้เทียนนะอาตมาไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีเดรัจฉานวิชาๆมันมีหลักฐาน แต่เอหิปัสสิโกคุณเอาตัวของคุณเข้ามาปฏิบัติพิสูจน์เรียกว่าสันทิติโกต้องเอาตัวเราแล้วอ๋อตกลงคุณก็ไม่ต้องไปเป็นในพวกชาวอสูรก็ไม่มี พระเครื่องเครื่องอะไรเค้าเรียกเบญจอะไรนะเบญจภาคีพระเครื่องเบญจภาคีเนี่ย 50 ล้านนะอ่าเสร็จแล้วเค้าเอามาอ่า 10 บาทอ่ะ แล้วก็ขาย 50 ล้านเนี่ยคุณมาขาย 10 บาทเนี่ยแล้วก็ซื้อเล่นเท่านั้นเอ้าขาย 20 ล้านกู 10 บาทมันแหมมันเล่นไป 10 บาทเค้าเงิน <c oughs> 10 บาท 20 บาท 20 ล้านเราจะซื้อมั้ยเราไม่ซื้อหรอกเพราะว่าเราไม่เห่อ 10 ล้านเลยขายล้านนึงซื้อมั้ยล้านเดี๋ยวเอาล้านนึงมาจะ ไม่ได้อ่ะเด็ดขาดเลยถ้าใช่พวกพวกนี้เนี่ยเค้าเป็นมนุษย์วิเศษของโลกนั้นซื้อไปพวกนี้ ทากี้นี่มีกันอยู่ไม่ทราบไม่รู้เท่าไหร่ตอนนี้ครอบครองไว้พวกรวยๆทั้งนั้นซื้อไปบ่มีเงินเค้าก็เค้าก็เอาเงินไปซื้อสิ เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งสร้างขึ้นใหม่ก็ว่าเก่งว่ะแน่ ท่านแย่ละป่วยโรคหัวใจแต่ก็ทํากันก็ย่านนับถือกันยังพยายามโฆษณาว่าของฉันครั้ง อคาเดมีนี้ตั้งให้เลยตั้งสถาบันนี้ให้เลยอ้าวท่านสร้างเลยของท่านนี่ท่านเด็ด จะได้เบางานโอ้โหใช้ยุทธศาสตร์ที่จะทําให้คนรวยเนี่ยทักษิณจะว่าท่านได้มาท่านจะเบางานท่านทักษิณจะได้เบางานเจอะถ้า เอาเลยส่งเสริมเลยจะเอายังไงจะเอาพระเนื้อดีจะเอาเนื้ออะไรโลหะเนื้อดินเนื้อ เพราะมันนอกรีนอกร้อยกันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองมีอะไรต่ออะไรกันจนเกินการ มันต้องเข้าใจจริงจริงๆจ้ะเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะมีหน้าที่ที่ ดาวนักเอาไว้อ่านตอนจบนะเขียนกลอนมาให้อ่านความว่าเราได้ พระพุทธเจ้าหลักการของศาสนาพุทธตามที่อาตมามีความเข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นมีความถูกต้องเป็นแนวแต่เป็นอย่างนี้มี พวกคุณนี่แหละเป็นสันทิฏฐิโกและก็เป็นอกาลิโกยุคนี้ก็สามารถ ปรมัตถ์ใดๆที่สามารถที่จะอ่านรู้เรียนรู้เพราะ 20 30 ปีนี่คนเราแต่ถ้าเราได้ละ ว่าเราไม่ได้กดข่มเราไม่ได้ฟื้นใจเราไม่ได้มากๆเนี่ยมันจะดัน มันถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ไว้อาสวะเนี่ย <c oughs> แต่ของพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นล้างไปจนสุดท้ายล้างอาสวะได้หรือแม้มันเหลือน้อยมันก็ไม่ระเบิดแล้วก็ละ ทุกอย่างก็สะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่าประมาทพวกเรานี่มาปฏิบัติๆต้องตนเอง เวทิตะโพวินยูหิเจ้าจะต้องรู้ของเราเองเป็นของตนเองฉลาดเองรู้เองของตนเองคนอื่นแต่อบาย กระมณีอัตตารุนแรงจัดจ้านจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องนึกทะเลาะวิวาทเอาอํานาจแห่งอัตตา แต่เชิญมาดูได้วางนิ่งมาดูสินี่บ้านเมืองนี้ไม่มีอบายมกบ้านเมืองนี้กามก็ไม่ได้ เพราะพวกมันก็ยืนยันได้ทํานี่มีมวลยิ่งมากมีเนื้อหาสาระของ เป็นทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยเป็น โลกุตระเป็นของสูงจริงๆคุณจะรู้เองคุณจะรู้ว่านี่เป็นๆปัจจัตตังเวทิตะโสอธิบายไปแล้วเพราะ ตรัสไปแล้วสวาขาตะมาจากคําว่าจริงๆสุอักขตาโพธิ์จารย์ท่านกล่าวไว้ดีแล้ว ได้แต่คิดได้แต่เพอฟันเป็นปรัชญาลอยลมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ปฏิบัติได้อย่างทิอัตตา ไม่ใช่คุณมาแกล้งทําไม่ใช่มาแกล้งอดแกล้งมาทําทีเป็นว่าบรรลุมาทําทีเป็นว่าเป็นสุขเพราะว่าได้ละได้ หลายคนคิดว่าอย่างงั้นนะแต่จะจะมีกี่คนไม่รู้อาตมาพูด ยกนะพึบไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ผิดหวังหรอกนะแน่อ่าถ้าว่าอาตมาจะถาม <c oughs> อัตมาให้คะแนนตัวเองฮะโพลเหรอเอ่อนะอ่าใครคิดว่าจะเดินสายนี้จนตายกมือขึ้นเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าเออตอนนี้สนุกดียกไปเถอะสนุกดียังหรือ คืออาตมาว่าถึงแม้ว่าบัดนี้ในปัจจุบันนี้เราแน่ใจมันก็เป็นความๆทุกอย่างนะที่ ฟังแล้วก็จําได้แล้วไม่ต้องไปท่องอ่ะอาตมาพูด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 ณบัดนี้มาติข้าพเจ้าทั้งหลาย 29, 29 ปาฏิหาริย์ ข้าพเจ้าทั้งหลายอันได้แก่ทั้งหลายจะ เว้นขาดความหดร้ายรุนแรงๆเว้นขาดการเบียดเบียน เว้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงเอาเปรียบการเอาของผู้ <c inhos> จะตั้งเว้นขาดเรื่องกามคุณประพฤติจะตั้ง จะตั้งใจประพฤติจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการพูดปดเว้นขาดการพูดปดเว้นขาด สุราเมระยะมัชชะสุราเมระยะมัชชะปมาทฐานาปมาทฐานาเวรมณีเวรมณีเจตังใจประพฤติเจตัง ละเว้นขาดการเว้นขาดจากอาหารและเครื่องใช้ที่ควรเว้นควรเลิกอัตภาพ จะเป็นผู้พยายามเป็นผู้พยายามเป็นผู้มักน้อยเวรมณี จะตั้งใจเช่นฟ้อนดนตรีเป็นต้นเป็นเครื่องตกแต่งพอกทา เรื่องประดับประดับเว้นขาดจากฐานะแห่งเวรมณีเวรมณีจะตั้ง เว้นขาดจากการสะสมของใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ได้ผลย่อม ตามที่ให้สุดความสามารถคณะได้นำพา อ้าวต่อไปถึงเวลาหม่ำอ้าวเดี๋ยวมีกลอนลืมไปผู้เขียนกลอน มองเงินเมินไม่มาตาไม่เป็น ขอใช้สิทธิ์คิดสร้างทางธรรมทัศน์มน โชว์คําขวัญสนั่น 19 กุมภาพันธ์ 1048 ด้วยอ่านายเป็น ถึงวันนี้แล้วการเลือกตั้งก็ผ่านไปนะแล้วพูดอะไรก็ไม่ได้นะผิดเดี๋ยวก็เข้าคุกก็เลยต้องไม่พูดมากพูดพลาดพูดทิ้งพูดแนะพูดอะไร อ่าผลก็ออกมาแล้วทราบว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนไป มันเป็นการเจริญๆคนมอง นะทางด้านลึกแล้วมันไม่ใช่ชนะขาดลอย ไทยรักไทยชาติพัฒนาเอ่อความหวังใหม่แล้ว 4 พรรค 5 พรรครวมเข้าไปหมดเลยเป็นพลังรวมอันเดียวกัน ส.ส. จัดตั้งของเค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้น 4-5 ไปรวมกันเป็น 1 พรรคได้เปลี่ยมยังส่วนฝ่ายค้านนั้นดันแย่งกันอีกเนี่ยมหาชนมหาชนเป็นใหญ่ด้วยนะประชาธิปัตย์กับมหาชนแยกกันอย่างด้วยชาติ กับมหาชนคนคนกลุ่มเก่ามหาชนก็ไม่ใช่คนหน้าใหม่อะไรเลยคนจากประชาธิปัตย์ปัดออกมา ประเด็นต่างๆอะไรแต่อะไรซับซ้อนอีกหลายประเด็นแต่มาไม่พูดประเด็นเดียวนี้คุณฟังแล้วก็ต้อง เรียบร้อยข้าราชการทุกคนหมดท่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะ 2 เหตุนี่ก็เหลือกินแล้วนะต่างๆนานาความซับซ้อนในวิธี เป็นสมณะที่พูดเรื่องการเมืองมากขึ้นนะอีกหน่อยก็คงมาจับ ที่อาตมาหยิบเอาการเมืองขึ้น แม้แต่ต่างจังหวัดก็ตื่นตัวกันเยอะรับรู้เอาอะไรอย่างงี้ดูโทรทัศน์เอาข่าวสารการเมืองเค้าวิเคราะห์กันแต่ก่อน ขายไม่เคยออกหรอกแต่พวกหลักการเมืองพวกรักไอ้เรื่องการศึกษาพวกนี้เค้าก็ออกเค้าก็อยู่ในมีเอ่อแฟนกลุ่มเป้าหมายว่ากันไป ขายไม่เคยออกหรอกแต่พวกรักการเมืองพวกรักไอ้ไอ้เรื่องการศึกษาพวกนี้เค้าก็ออกเค้า ไอ้อย่างงี้แบบนี้คล้ายกันหนังสือพิมพ์ชาวคล้ายกันหน้าปึก อ่าหมากัดคนนี่ไม่เป็นประเด็นข่าวถ้าคนกัดหมาเป็นข่าวอย่างนี้เป็นต้นอ่าขนาดหนังสือพิมพ์แบบนี้เค้าจะคล้ายกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาการเมืองออกด้วยเดี๋ยวนี้แม้แต่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลีนิวก็ต้องมีคอลัมน์การเมืองขึ้นหน้านึงก็ต้องมีข่าวการเมืองถ้า แต่สมัยก่อนนี่ไม่เอาทืออะไรเค้าจะเป็นยังไงฉัน การทํางานเพื่อมนุษยชาติเพื่อกลุ่มหมู่มวลมนุษยชาติสังคมเอาเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นระบบๆนานาก็ อ่ารัฐบาลใหม่เค้าก็จะทํายังไงกันอีกอาตมาก็จะอธิบายบ้างว่าเค้าจะ GDP มันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เอาใช้ GDP นั้นมา GDP สูงขึ้นขึ้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่งเงินออกมาพันมั้ยพันพันจากเงินภาษีราษฎร 1 นาทีเอ้าไม่ต่อ อะไรกันมั่งก็ดูภาษาไทยนี่มันก็ครบๆดีเหมือนกันๆมาใส่ให้มันพพแล้วแล้วคนก็คงจะเขียนออกมาได้ หมดปัญหาสิ้นทุกข์สุขกาย ชวนชูเชิดสอเสียสละเลิกละเว้นชัดสู่ ทำบุญทานเมตตาบารมีส เป็นพิภพโลกุตตดุจสวรรค์มี ความอุดมสมบูรณ์เป็นสุนทรีรวม 7สเสือ สอสสูงทรงศักดิ์ศรีสูงทรงมีศักดิ์มีสีสสร้างสรรค์ 4 เรือสเสียสระ 5 ก็ วันนี้ก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าหลังของขยายเท่าว่าชีวิตทั้ง หลอกให้เราสุขโอ้ได้นั่นประสมใจเป็นรูปรสเป็นเสียงสัมผัสสุขในกาม รูปภพรูปภพนี่แหละได้รูปภพรูปภพแล้วก็โอ้โหสุดยอดสุขเหลือเกินเช่นอัตตาชนิดจ้ะ ชนิดที่ 1 ท่านเรียกว่าเนี่ยอาตมาสงสัยจะอธิบายสุกตัวเดียวนี่มั้ง 2 มโนมยอัตตา 3 อรูปมย 3 อย่างคนเราก็แสวงหาอัตตา 3 อย่างนี่แหละโอราลิกะอัตตา คือต้องการความใหญ่อะไรใหญ่กว่าแล้วต้องการเป็นวัตถุสัมบัติที่ดินโอโศกต้องการเลยนี่ต้องการที่จะเป็น มาตั้งกระทั่งแม้เป็นอำนาจบาตรใหญ่ในก่อนจะถึงบ้านประเทศก่อนจะต้องเป็นยอดประธานาธิบดีเป็นยอดนายก เป็นใหญ่ในบ้านใหญ่เลยนะแม่งใครอยากอินะอืมฉันใหญ่ในบ่อนนะโวราณิกะอัตตาทั้งนั้นน่ะนะจะต้องใหญ่เป็นเจ้าข้าเจ้าของทั้งแผ่นดินสินทรัพย์บ้านเมืองจนกระทั่งถึงบ้านช่องเรือนชานทรัพย์ศรินคารอะไรก็ จึงเป็นความฤกษ์แม้แต่อำนาจซ้อนอยู่นะในเรื่องเช่นพวกนี้นี่ๆนานา ปั้นไปตามเรื่องตำราอาจจะไม่กระทบกระเทือนกับเป็นเป็นรูปที่สําเร็จด้วยจิตเช่นนั่งเข้าฌานทําสมาธิเสร็จแล้วก็ปั้นเมืองสวรรค์โอ้โหจนสําเร็จเลยปั้นพระพุทธรูป มันสําเร็จจริงๆนะเค้าปั้นกันเยอะแล้วก็มีลัทธิอย่างนี้อยู่เยอะเยอะ ไปสวรรค์ 7 ชั้น 8 ชั้นมีวิมานมันมีนี่มีน้ําจูงกันไปภาพจนกระทั่งปั้นสําเร็จมันสําเร็จด้วยจิตเป็นสุสุกนะนะ <c oughs> <c oughs> รูปที่สําเร็จด้วยจิตคุณคงเคยใครเคยอ่านหนังสือนึงหามาคงเคยนะมโนมยัตตตาปั้นสําเร็จด้วยก็มีมากมายก่ายกองเลยนะนั่นก็ปั้นเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนปั้นเป็นอะไรแล้วแต่ ก็เป็นนิพพานเดชก็ได้ไปเถอะได้ไปก็เป็นภาคภูมิในถือว่าเป็นฌานอรูปฌาน ออกจากรูปประฌาน 4 แล้วก็ยังมีอรูปประฌานไปอีก 3 มากินจัญญายตนะนั่งไปเป็นอรูปแล้วมันไม่มีรูปแล้ว นรุประชานที่ 4 ชั้นที่ 4 นี้มีเอกองค์เบขาเป็นเอกคตตาละมีสภาพจาง ถ้ามันว่างกว่านี้มันเป็นยังไงเค้าก็พยายามภาคเพรียงกัน ถ้าเรียนรู้โดยศาสนาๆไม่มีกิเลสพักกิเลสดูดแล้วมันมีกิเลสชอบกิเลสชังไม่มีกิเลส แต่ในคนเนี่ยมันจะว่างไปก่อนอื่นในคนเนี่ยมันจะว่างไปก่อนอื่นมันก็จะมีสภาพของการๆมันก็มีสอนกันคืออากาศานัญจายะคือว่า ไม่มีอะไรเลยนี่มันว่างนี่ก็ปั้นรูปอย่างนั้นให้กับตัวเองสะกดจิตตนเองจนจนสามารถ ใครเคยทําได้โอ้โหมันอร่อยจริงๆนะอาตมาเคยจริงๆมันก็รู้ตัว เดี๋ยวนี้มันไม่เอาแล้วมันๆพยายามจริงๆมันก็ได้คือสะกดจิตของเราลงไปสู่ภพนั้นน่ะเรียกว่าอากาศานัญจายตนะว่างในขณะที่ว่างรู้ๆแล้วพอเดี๋ยว สักพักนึงบางคนอาจจะนานบางคนอาจจะตัวเรานั่นรู้ๆอื่นไม่มีไปมีอายตนะอยู่ตรงว่าเสร็จแล้วเรารู้สึกตัวกลับคืนโอ้เรากําลัง มีเราและตอนแรกนี่ไม่รู้แม้แต่มีเราไม่ สามารถสะกดจิตได้มันอยู่ได้ด้วยอํานาจการสะกดว่างเอาแต่รู้แล้วว่า แต่ทีนี้คนที่บอกว่านิโรธอ้าวก็มันมีเราก็มีแสงสว่างอยู่เยอะก็มันนิโรธยังไงนะอันนี้ แล้วก็มีความรู้แล้วก็มีความจริงกันนี่มาจะเอามาเล่าให้ฟัง มันมันขาของตาไม่เท่ากันคุณเอาไปใช้ดับดับความไม่มีอะไรเหลือดับ อจินตัญญายะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าดับไม่มีอะไรเค้าก็ดับลงไปทีนี้ไม่เอาละว่างๆสว่าง อรูปอันนั้นสําเร็จด้วยตนจนสําเร็จเป็นอกิญจัญญายตนะก็คือดับปิ้งไม่รู้เรื่องอะไรมิดไม่ หรือในภาษาทางสายพุทธเค้าเนี่ยคําว่าดับนิโรธเนี่ยมันมีนิโรธสูงสุดเดียวคือสัญญาเวทยิตนิโรธภาษาเค้าใช้ ก็แปลว่าอย่างนั้นได้แต่เค้ากลับไม่แปลงั้น สุกไม่สุกไม่รับรู้อะไรเลยไม่กําหนดรู้อะไรเลยดับหน้า นิรโทษสูงสุดเป็นอรูปชนิดสูงสุดเค้าก็ยึดเอาตรงนี้เป็นสุขที่สุดวิเศษที่สุดดีที่สุดเค้าก็นั่งเอาจนได้ถ้ามันระลึกรู้ตัวถ้ามันรู้อ่ะเพราะฉะนั้นเค้า ลูกก็มาบอกดับมันใหม่เอาตัวเนี้ยนิโรธดับสูงสุด พอมันยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอมยอม ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 30 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันคุณเป็นนั่งทําดูอาตมาเองอาตมาก็นั่งทํามาแล้วมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยมันไม่ได้เท่าไหร่หรอมันไม่เก่งขนาดนั้นหรอกโอ้โหอาตมาไม่เคยนั่งได้ทั้งวันนั่งดับ<ะ> เพราะฉะนั้นเค้าก็เลยไม่เอาแล้วไอ้ดับนึงมันไม่จริงเค้าก็เลย ถ้ามันรู้น้อยเหลือเกินจะว่าไม่รู้มันก็ยังรู้นะอ่าเอาธตกดาหมด ถือเป็นนิโรธเป็นเนวสยญานาสัญญายตนะกําหนดเอาอีกตรงเนี้ยภูมิเนี้ยมึงแทบนี่อยู่ก้นบึ้งลึกๆของ นี่เป็นอัตตาทั้งคนที่แสวงหาความสุขแลนะอวราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปมยอัตตาคนที่แสวง เป็นพูดที่มีคุณค่าต่อคนต่อต่อผู้อื่นมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอ่าเมตตาเกื้อกูล ตัวไหนเป็นอย่างไรตัวนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้อกุศลเจตสิกนี้สภาพนี้แล้วก็ แต่ในความจริงอย่างนี้ก็อย่างของพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ของพระเจ้าบูจเจ้าอย่างศาสนาอื่นเค้าไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณละเอียดอย่างที่กล่าวนี้นะเค้าไม่ได้ศึกษาอื่นๆที่มีพระเจ้าพระเจ้ามีคุณสมบัติ จิตวิญญาณที่ประเสริฐเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกจริงๆตกลงอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเอ้าตกลงถ้าคุณ ฟังท่านบอกว่าไม่ไม่มีเหตุไม่มีไม 4 ไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักวิธีดับเหตุอย่างแท้จริงจนนิโรธอย่างสนิทอย่างอริยสัจ 4 ของพระพุทธเจ้าคุณก็มีวิธีด้วยล่ะก็ไอ้ชั่วหยุดสะกดมันไว้ทิ้งมันไว้ลืมๆมันอย่ามายุ่งกับเราเลยดูชั่วถ้ารู้ อย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเราไม่มีสภาพยอดเยี่ยมอย่างเต็มๆเพราะดีนี่มันดีถ้าเห็นได้ในศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาพุทธนะโอ๊ยเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือ มาถึงตรงข้อ 2 กับความสูงได้สิ่งนี้แหละเป็นความสุขเพราะ รูปอะไรอย่างที่ก็เป็นสภาพภวะตัณหากับวิภวะตัณหาไปแต่ถ้ามีเงื่อนไขเรียกว่ามีเหตุผล คนนั้นก็ยังเป็นคนที่มีประโยชน์คนฆ่าต่อโลกต่อสังคม มีพลังแห่งการก่อความดีแต่ไม่หลงพลังหรือจิตวิญญาณนี้ว่า เพราะ